อตีตานาคตาตวานอนุโลมบุคลคลจักขุนทริยมูลกนัยสีร้อยสอนุโลมปุจฉาจักขุนสี่ของบุคคลใดเคยเกิดโสตินสี่ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจาชนาปฐิพัฒน์พรวิกบุคคลและบุคคลเราใดจักอุบัติแนวรูปประภูมิแล้วปรินิพานจากักขุนสี่ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่โสตินสี่ไม่ใช่จะเกิด บุคคลนอกนี้จากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและโสตินทรียก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาโสตินทรีของบุคคลใดจะเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจากขุนสีของบุคคลใดเคยเกิดคานินทรีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปฏิทินพวิกรบุคคลและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปาวจรภูมิ และในอรู ป, ปาวจรภูมิแล้วปรินิพานจากขุนตีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่กาณินทรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้จากขุนตีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและคาณินทรีย์ก็จะเกิดปฏิรมปุชชาคาณินทรียของบุคคลใดจะเกิดจากขุนตีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโรมปุชชา จากขุนศีขบุคคลใดเคยเกิดอิทธิรีขบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจนะัดชนาปัจฉิมภวิกบุคคลบุคคลเราใดจากอุบัติในรูปราวจรภูมิอรูปราวจรภูมิแล้วปรินิพานในบุคคลเราใดมีปุริชาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะ น, น, นั่นแหละแล้วปรินิพานจากขุนรีขบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่อิทธิรีไม่ใช่จะเกิด บุคคลนอกนี้จากขุนตรีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดได้อิจินตีก็จะเกิดปฏิโลมปุชชาอิจิ้นตีของบุคคลใดจะเกิดจากขุนตรีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจาชนาะใช่อนุโลมปุชชาจากขุนตรีของบุคคลใดเคยเกิดปุริตินตีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจาชนาะ ปัจฉิมภวิการบุคคลบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปราวจรภูมิอรูปราวจรภูมิแล้วปรินิพานและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานจากขุนจีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ปุริสินจีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้จกขุนจีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและปุริสินจีก็จะเกิดปฏิโดมปุชชา ปริสินรีย์ของบุคคลใดจะเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาจากขุนศีของบุคคลใดเคยเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาปัจฉิมภวิกับุคคลจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ชีวิตินทรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้จากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและชีวิตินทรีย์ก็จะเกิด ปฏิรมปุจฉาชีวิตินทร์สีของบุคคลใดจะเกิดจากขุนทรีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจารนาใช่อนุรมปุจฉาจากขุนทรีของบุคคลใดเคยเกิดโสมนัสินทร์สีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจารนาปัจฉิมภวิกับุคคลและบุคคลเราใดมีจิตเป็นอุเวขาจากอุบัติแล้วปรินิพานจากขุนทรีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิด แต่โสมนัสินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้จกขุนตีของบุคคลเหล่นานั้นเคยเกิดได้โสมนัสสินสีก็จะเกิดปฏิโดมปุจฉาโสมนัสสินสีของบุคคลใดจะเกิดจากขุนตีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจารนาะใช่อนุโดมปุจฉาจากขุนตีของบุคคลใดเคยเกิดอุเปกินตีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจาชนาะปัจฉิมภวิกาบุคคล และบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นโสมนัตจากอุบัติแล้วปรินิพานจากกุนตีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่อุเปกินตีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้จากขุนตีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและอุเปกินตีก็จะเกิดปฏิรมปุจฉาอุเปกินตีของบุคคลใดจะเกิดจากขุนตีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุรมปุจฉา จากขุนศีของบุคคลใดเคยเกิดจัดทินศีและปัญญินรีและมนิณีศีของบุคคล น, นั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนะปาปฏิบิษฐวิกรบุคคลจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่มณีศีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้จากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและมนณีศีก็จะเกิดปฏิรูปุชชา มนณีสีของบุคคลใดจะเกิดจากขุนตีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิจารณาใช่จากขุนตรียามูลกายนิจบคานินตรียามูลกายนฮัตสีอยหอนุโลมปุจฉาคานินสียของบุคคลใดเคยเกิดอิตินรีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจารณาปัจจิมภวิกบุคคลบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรู ป, ปาวจรภูมิ อรู ป, ปาวจรภูมิแล้วปรินิพานและบุคคลเหล่าใดมีปุริจ่าเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานคานินทีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่อิทธินตีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้คานินตีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดได้อิทธินตีก็จะเกิดปฏิโลมปุชฌาอิทธินตีของบุคคลใดจะเกิด คานินจีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะใช่อนุโณมปุจฉาคานินทจีของบุคคลใดเคยเกิดปุริสินทจีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะปัจฉิมภวิกะบุคคลบุคคลเราใดจักอุบัติในรูปราวจรภูมิอรูปราวจรภูมิแล้วปรินิพานแต่บุคคลเราใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพ โดยภาะวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานคานินทรียของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ปุริสินสียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้คานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและปุริสินรียก็จะเกิดปฏิโดมปุชชาปุริสินรียของบุคคลใดจะเกิดคานินทรีย์ของบุคคล น, นั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจารนาใช่อนุโลมปุชชา คานินทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปฏิมภวิกรบุคคลคานินทรียของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้คานินทรียของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและชีวิตินทรียก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิด คาณินทสีของบุคคล น, นั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจารนาะใช่อนุโลมปุจฉาคานินสีของบุคคลใดเคยเกิดโสมนณตินรียของบุคคล น, นั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจาชนาะปัจฉิมภวิกาบุคคลแล้บุคคลเราใดมีจิตเป็นอุเบกขาจักอุบัติแล้วปรินิพานคานินทสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่โสมนัณสินรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ คานินทีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและโสมนัสสินสีก็จะเกิดปฏิรมปุชฌาโสมนัสสินสีของบุคคลใดจะเกิดคานินสีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะใช่อนุรมปุชฌาคานินทีของบุคคลใดเคยเกิดอุเปกขินสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะ ปัจฉิมพวิกบุคคลและบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นโสมนัตจากอุบัติแล้วปรินิพานคานินตีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่อุเปกินตีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้คานินตีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดได้อุเปกินตีก็จะเกิดปฏิโลมปุชชาอุเปกินตีของบุคคลใดจะเกิดคานินตีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ อนุโลมปุจฉาคานินจีของบุคคลใดเคยเกิดตัดทินจีละปัญจินจีละมนินจีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัดฉิมภวิกาบุคคลคานินทีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่มนินจีไม่จะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้คานินทีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและมนินทีก็จะเกิดปฏิโรมปุจฉา มานินตีของบุคคลใดจะเกิดคานินตีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่คา น, น, านาินทริยมูลกานายัยจบอิถินตรียมูลกนัยสี่อนุโลมปุจฉาอิถินรีของบุคคลใดเคยเกิดปริอินทรินสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนา ปัจฉิมพวิการบุคคลบุคคลเหาใดจากอุบัติในรูปราวจรภูมิอรูปราวจรภูมิแล้วปรินิพานและบุคคลล่ใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั่ น, น, นและแล้วปรินิพานอิทธิสินสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ปุริสินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้อิทธิสินสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ปุริสินสีก็จะเกิด ปฏโลปุจฉาปุริสินสีของบุคคลใดจะเกิดอิตินสีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาอิตินสีของบุคคลใดเคยเกิดชีวิตินสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาปัจฉิมภระวิกบุคคลอิตินสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ชีวิตินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ อิตินตีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและชีวิตินตีก็จะเกิดปฏิโดมปุชชาชีวิตินตีของบุคคลใดจะเกิดอิตินตีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุชชาอิตินตีของบุคคลใดเคยเกิดตัมนั์ตินตีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาปัจฉิมภวิกาบุคคลและบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นอุเบขาจากอุบัติแล้วปรินิพาน อิตินตีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่โสมนัสตินตีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้อิตินรีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและโสมนัสตินตีก็จะเกิดปฏิโดมปุชชาโสมนัสตินตีของบุคคลใดจะเกิดอิตินรีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจาชนาใช่อนุโลมปุชชา อิตินตีของบุคคลใดเคยเกิดอุเปกินตีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลและบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นโสมนัตจากอุบัติแล้วปรินิพานอิตินทีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่อุเปกินตีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้อิตินตีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและอุเปกินตีก็จะเกิดปฏิโลมปุชฌา อุเปกินตีของบุคคลใดจะเกิดอิตินทรียของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชณาใช่อนุโลมปุจฉาอิตินตีของบุคคลใดเคยเกิดตัดินรียละปัญินรียละมณินทรียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชณาปัจฉิมภวิกบุคคลอิตินตีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่มณินตีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ อิตินสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแม่นินสียก็จะเกิดปฏิโดมปุชชามนินทรียของบุคคลใดจะเกิดอิตินรียของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อิตินทรีย์มูลกานายจบปุริสินทรีย์มูลกา น, นยกายสี่อเจอนุโลมปุชชาปริสินทสียของบุคคลใดเคยเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหม วิจัดชนาะปัดฉิมภวิกบุคคลปุริตินตีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ชีวิตินตีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ปุริตินตีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและชีวิตินตีก็จะเกิดปฏิรอมปุชชาชีวิตินตีของบุคคลใดจะเกิดปุริตินตีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะใช่อนุรอมปุชชา ปุริถินตีของบุคคลใดเคยเกิดโมสมนัสถินตีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจารนาะปัจฉิมภวิกรบุคคลและบุคคลเราใดามีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแล้วปรินิพานปุริถินตีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่โมสมนัสถินตีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ปุริถินตีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและโมะสมนัสถินตีก็จะเกิดปฏิโดมปุชชา โสมนณสินตีของบุคคลใดจะเกิดปุริตินตีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุชชาปุริตินตีของบุคคลใดเคยเกิดอุเปกินตีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกับุคคลและบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นโสมณตจากอุบัตแล้วปรินิพานปุริตินตีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่อุเปกินตีไม่ใช่จะเกิด บุคนอกนี้ปุริสินตีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและอุเปกินตีก็จะเกิดปฏิโลมปุชชาอุเปกินตีของบุคคลใดจะเกิดปุริสินติของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุชชาปุริสินติของบุคคลใดเคยเกิดสัตตินตีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนา ปชิมภวิกาบุคคลปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่สัตทินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและสัตตินรียก็จะเกิดปฏิโลมปุชชาสัตตินสีของบุคคลใดจะเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุชชาปุริสินสีของบุคคลใดเคยเกิด มัญญ well, ินทรและมนินทรีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกรบุคคลปุริสินทรีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่มนินทรีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ปุริสินทรีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและมนินทรีก็จะเกิดปฏิโลมปุจชามนินทรีของบุคคลใดจะเกิดปุริสินทรีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ ปุริสินตริยะมูลกนัยจบชีวิตินตริยมูลกนัย408อนุโลมปุจฉาชีวิตินทรียรชช์ของบุคคลใดเคยเกิดโสมนัต ส, สินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจัดชนะบุคคลผู้พร้อมเปรียงด้วยปัจฉิมจิตปัจฉิมจิตที่สามปยุทธ์ด้วยอุเบขาจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้น ชีวิตติณฑีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่โสมนัตสิณฑีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ชีวิตติณฑีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและกก โ, โสมณัตสิณฑีก็จะเกิดปฏิรดมปุจฉาโสมณัตสินทฑีของบุคคลใดจะเกิดชีวิตติณฑีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะใช่อนุโดมปุจฉาชีวิตติณฑีของบุคคลใดเคยเกิด อุเปกินสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจาชนาบุคคลผู้พร้อมเปลียงด้วยปัจฉิมจิตปัจฉิมจิตที่สามปยุทธ์ด้วยโสมนัสจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่อุเปกินทีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ชีวิตินทรียีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและอุเปกินสีก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉา อุปเปกินตีของบุคคลใดจะเกิดชีวิตตินทตีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาชีวิตตินทตีของบุคคลใดเคยเกิดตัดทินตีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเปลียงได้ปฏิมจิตชีวิตตินตีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ตัดตินตีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ ชีวิตินทรีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและสัตตินทรีก็จะเกิดปฏิโดมปุจฉาสัตตินทรีของบุคคลใดจะเกิดชีวิตินทรีของบุคคลนั้นก us ็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาชีวิตินทรีของบุคคลใดเคยเกิดสัตตินทรีและปัญญินทรีและมนินทรีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้พร้อมเรียงด้วยปัจฉิมจิต ชีวิตินทรีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่มนินทรีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ชีวิตินทรีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและมนินทรีก็จะเกิดปฏิโดมปุจชามนินทรีของบุคคลใดจะเกิดชีวิตินทรีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ชีวิตินตรียมูลคณัยจบโสมนัสสินตรียมูลคณัย สี่อเกอนุโลมปุตชาโสมานตินตีของบุคคลใดเคยเกิดอุเปกินตีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้พร้อมเปลียงด้วยปัจฉิมจิตปัจฉิมจิตที่สามปยุทธ์ด้วยโสมานต์จะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นโสมานสินตีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่อุเปกินตีไม่ใช่จะเกิด บุคคลนอกนี้โสมนัสสินทรียของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดได้อุเปกินรีก็จะเกิดปฏิโลมปุชชาอุเปกินรีของบุคคลใดจะเกิดโสมนัสสินทรียของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุชชาโสมนัสสินทรียของบุคคลใดเคยเกิดสตินรียละปัญินรีละมณินทรียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนา บุคคลผู้พร้อมเปลียงได้ปฏิมจิตโสมนัสสินตีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่มนินตีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้โสมนัสสินทรีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและมนินตีก็จะเกิดปฏิโลมปุจชามนินตีของบุคคลใดจะเกิดโสมนัสสินตีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่โสมนัสสินตริยมุรกไนจบ อุเปกินตริยมูลกนยัยสี่ร้อยสิบอนุโลมปุชชาอุเปกินสีของบุคคลใดเคยเกิดสัสดินรียละปัญญินรียละมนินทรียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิเศชนาะบุคคลผู้พร้อมเพลียงได้ปัจ จ, จิมจิตอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่มนินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้อุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่มนินสียก็จะเกิด ปฏิโลมปุตชัลมณีศีของบุคคลใดจะเกิดอุเปกินศีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อุเปกินตริยมูลกนัยจบสัตทินตริยมูลกนัย411อนุโลมปุจฉัลสัตทินรียของบุคคลใดเคยเกิดปัญญินรีและมนณีศีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้พร้อมเรียงด้วยปชิมะจิต สัตตินตีกับบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่มนินทรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้สัตตินตีกับบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและมนินตียก็จะเกิดปฏิโดมปุชชามนินตีกับบุคคลใดจะเกิดสัตตินตีกับบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิจัดชนาใช่สัตตินทริยมูลกนัยจบปัญญทริยมูลกนัยสี่อนุโลมปุชชา ปัญญินทรีของบุคคลใดเคยเกิดมนินทรีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตปัญญินทรีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่มนินทรีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ปัญญินทรีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและมณินทรีก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉามนินทรีของบุคคลใดจะเกิดปัญญินทรีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ บันยินเทรียะมูริกะนายจบ